การเกดขึ้นมาการักเข้ก็เทียบกับว่าการเกิดใหม่จากภาพความเป็นมนุษย์กายมาเป็นรัภาพดังเดิมคือเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเรียบร้อยมนุษย์ด้วยการทำงานมันเป็นชาพที่ เกินมาจากกำหนดที่เรียกว่าโกิดขึ้นมาเป็นคนไมน่ต้นเขาเป็นคนอยู่ตามบ้านตามเบืองไม่ว่าด้วยวิธี่เดเติบโตขึ้นมาจากบ้านจากเดือนด้วยกันทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนก็เนื่องมาจากพ้อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นที่ให้อุปวาตสั่งสอนก่อนใครทั้งหมดแต่อุบาย ในการสั่งสอนย่อมเป็นไปตามขติของโลกข้อเนื่องจากผู้ปกครองก็อเป็นโลกยู่ธรรมดาการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นไปทางจิต บ, บ้านการเรือนการก่อสร้งตั้งเมือทตั้งตัวในทางคารวะหาความรู้วิชาอออเป็นไปในทางอาชีพเพื่อการอยู่เย็นเป็นจิตและความมั่น ของของคอรอบครัวตลอดถึงชีวิตที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปด้วยความท้าสุกรากลีนั่นเป็นการอบรมในทางหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกพอเกิดความชื่อเริ่มใสในพระศาสนาสระตุนออกมาจากเพศนั้นก็มากลายเป็นเพศของพระขึ้นมาของเล น, นขึ้นมาแบบนี้การ เปลี่ยนแปลงในความรู้สึกดับเพศก็ย่อมเป็นไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงในทางเพศก็คือเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคารวาสเยื่อเยนมากลายเป็นเพศของพระของในความรู้สึกที่จะให้กลมกลืนกันกับเพศของตนก็คือระเบียบแ่งพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติ ทางกายทางวาจาและทางใจย่อมมีเข็มทิศคือหลักธรรมวินัยเป็นทางเดินเสมอถ้าให้เคลื่อนคราบจากหลักของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วโดยถูกต้องก่อมาจัดว่าเป็นพระเป็นเนที่สมบูรณ์แบบการทํำตนให้เคลื่อนคราบจากหลักพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคารวะที่มีความประพฤติผิด เพราะเพศต่างกันความรู้สึกที่จะให้เป็นไปตามเพศของตนก็ต่างกันแต่ไปเอียงลงกระทางต่มเสียจนมีจิมการเป็นคนที่ลา ม, มกยิ่งกว่าใครว่าขอให้ทุกๆทุทางที่เป็นนลกบว่ด้วยกันโปรดทําความสํานึกภายในเพศของตนอยู่เสมอต้องมีความสําคัญเจี๊ยมเงื่งกับหลักธรรมในไปตลอดสาย ไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอเส้นเสีเยแต่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดจิสิ่งที่สุดที่ใ ส, ส่ไม่สามารถที่จะปกครองตนได้ในเวลาเช่นนั้นการมาบวชเป็นพระเป็นเนรจะทําให้ตามความชอบใจเหมือนอย่างคารวะย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะผิดกับเพศของพระหน้าที่ของตนจำต้องคํานึงถึงหลักพระธรรมในใยทีก เป็นเครื่องประจําเพศของตนเสมอมีแรงชีว่าเป็นสมณะที่ถูกตามแบบฉบับหรือว่าส ม, สมบูรณ์แบบของสมณะที่บวดมาการปกครองไม่มีสินใดที่จะปกครองยากเหมือนกันกับการปกครองตนสนัสนครับ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 โลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแต่และครอบครัวแต่และบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่อาศัยตัดใจเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องอาศัยการคิดการอ่านการวิ่นเต้นขวัญขวายนอกจากนั้นตนผู้เป็นเจ้าของสมบัติจะต้องปกครองตนเองโดยถูกต้องสมบัติที่มีอยู่และที่จะมีมาจึงจะมีอยู่ด้วยความร่มเย็นและมีมาด้วย ควาชอบทําการจับจ่ายใช้สอยไปก็เป็นประโยชน์จากตนเนื่องจากตนได้รับการอบรมถูกต้องแล้วการจับจ่ายใช้สอยและการนําหาทรัพย์มายม่อมเป็นมาด้วยความราบตื่นและเป็นประโยชน์จากตนผู้เป็นเจ้าของเสมอไปนี่คือการปกครองตนเองให้ถูกต้องตามหลักของคาระวะเย่าเวียนคือที่ปกครองตนไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ก็ อันตราธานไปเหมือนกันกับว่ามีปีกมีขางบินไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรากฏว่าบินกลับมาเนื่องจากถูกเป็นเจ้าของไม่มีความฉลาดระพึติตนไปตามความชอบใจมะได้คำหนึงถึงว่าถูกผิดในการจับสายหรือหามาสินใดที่ได้มาก็ได้มาด้วยความเดือดร้อนจายไปก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปลกครองตน เพื่อสมบัติทั้งหลายและเพื่อความมั่นคงแก่ตนในอนาคตจึงเป็นเรื่องจําเป็นทั้งทงางการว่าและทางระบุต่อเพราะอย่างยิ่งทางระบวชไม่ค่อยมีการยุ่งเหยิงวุ่นวายตับติดการวาามีหน้าที่ที่จะปกครองโดยตนโดยเฉพาะตามหลักของพระธรรมมีไหนเท่านั้นจึงควรที่จะมีแจกจิตแจกใจและหนักแน่นในหน้าที่การงานทั้งตนอย่าได้ลดลนะ เราบวดเข้ามานี่เพื่อจะมาดัดแปลงตนเองสังหารแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าสุแใจตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านให้นามว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองเบื้องต้นของขาเศร้าหมองที่ใจระบายออกมาก็ามาํำวาจาให้เศมองอยาบกิ่งไปกว่านั้นก็ทำความประทึกของเราที่ออกในทางกายให้เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปด้วยสแสดงอาการออก ใดออกมาชื่อว่ากิเลสแล้วจะทําความาใสงสัยให้แก่บุคคลเป็นที่ยินดีสําหรับผู้ละเป็นเจ้าของและผู้อื่นที่ได้เห็นในยินนั้นย่อมเป็นไปในนายเพราะฉะนั้นท่านจึงตําหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดยอมตําหนิความสศมองที่ให้นามว่ากิเลสนี้ว่าเป็นภัยแก่บุคคลยุิแก้ตัดเสมอไปไม่มีข้อยกเว้นฐานนธรรมนี้นนจะสืบทอดกันมาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็ตามแต่ก็ลงใน หลักที่ถูกต้องด้วยกันคือชงตําหนิในสิ่งที่ควรตําหนิและทรงชมเชยในสิ่งที่ควรชมเชยเหมือนกันหมดนี่เราบวชเข้ามาเพื่อจะกําจัดดัดแปลงตนเองหรือค่ากิเลส ต, ตามที่ทันตรัสไว้เป็นคาติว่าโกทังคัชติอโกทังคัตวาสุ ข, ขังเสติตรงนี้เป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุดความโกรธก็เป็นกิเลสตัวหนึ่ง อย่างย่อยก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่หลวงก็เป็นกิเลสไม่ว่าประเภทใดเนี่รบมีอยู่ก็ต้องทําใจให้เศร้มองเมื่อพอใจส่งเสริมคิดขึ้นมาจะโดยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามผลก็ต้องตามออกมารัางควานตนเองให้รับความไม่สะดวกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ละสอนให้แก้ไขทางที่ออกของกิเลสก็มีตา หูจมูกลิ้นกายทางที่เกิดของกิเลสก็คือใจสถานที่ของแวะของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เป็นสถ า, านที่ข้องแวะของกิเลสที่ออกมาจากใจโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกไปเราผู้เป็นนัก บ, บวชมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตสอดรู้และแก้ไขดัดแปลง หรือสังหารสิ่งที่เห็นว่าเป็น่าตศิษย์เป็นชั้นๆั้นไปด้วยอำนาจแห่งความเกียงจึงเป็นผู้ไม่ควรลืมตนอย่างยิ่งหนึ่ง 1. ไม่ลืมสถานที่ที่เกิดของกิเลสสองไม่ลืมไม่ลืมทางเดินของกิเลสคืออายตนะภายในสามที่ข้องแวะของกิเลสทุกประเภทจะไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันสั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้มีจนานวนมากได้แก่ ไอชนะภายนอกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วภู้มีความสงวนรักตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่เศ้าหมองย่อมจะต้องร ะ, ระมัดระวังจุดทั้งสามหรือสถานที่ทั้งสมนี้ด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องพินจพิจารณาการกองหรือสอดรู้เสมอไม่ได้มองเห็นสิน่งใดด้วยความเล่นเลิกเพะะ้อสติได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นในสิ่ง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 ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกรองด้วยแล้วจะเป็นตะกิ้เละร่วนๆตาหูจมูกลิ้นกายจะทอดสะพานไว้ตลอดเวลาสำหรับเป็นทางเดินของจิตเที่ยวสแสวงหาอาหารที่เป็นยาพิษมาเผารลนตนเองได้มาโดยได้มาจากทางรูปบงังทางเสียงบังทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสตุกท่องบ้างได้มาจากอดีตที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยบ้างได้มาจากอนาคต ที่ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในปัจจุบันก็จริงแต่ก็คาบไว้จากสิ่งเหล่านี้โดยมโนภาพของตนบั่งมีเป็นคติธรรมดาของใจที่มีที่เลสจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเราผู้เป็นนักสังเกตแนะนพยายามแก้ไขตนเองเลยจึงควรสำเนียบสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจที่จะเดิน ไปตามสะพานคือตามหัวตมุกดิ้นกายอันเป็นทางเดินมาตลอดเลยะ ว, ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งได้บ้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่จะให้คุณหรือให้โทษแก่ตนเองต้องคอยสังเกตเสมอสิ่งใดที่เห็นมาจะเป็นโทษพยายามปีดกันจิตใจของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังพิจารณาแยกดูเหตุดูผล ดีชั่วที่จะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยทางส ต, ติสัญญาแล้วนําจิตถอยเข้ามาด้วยความมีเหตุมีผลที่ได้พิจารณารอบครอบแล้วเข้ามาสู่จุดเดิมของตนคือความรู้แล้วคอระมัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะออกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์อันใด ซึ่งเป็นสถานที่ของแวะของใจมาเป็นเวลานานให้ทำความไกรกลองเสมอเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่ต้องได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเสมอเพราะใจเป็นผู้าให้รู้เสมอและจรงหรือสถานที่ของแวะเหล่านั้นก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับใจเพราะใจเป็นผู้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลา ที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากนับสิ่งสัมผัสโดยให้คำหนึง่งถึงความดีชั่วสุขทุกข์แต่อย่างไรนี่เป็นคติของใจสามัญนชนเราเป็นอย่างนี้แต่คติแข่งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะให้มีเหตุมีผลมีเครื่องทดสอบดูดีชั่วสุขทุกข์จากสิ่งที่มาสัมผัสกับใจและจากใจที่ ไปเกี่ยวข้องครับจิ่งอย่างนั้นเสมอไปนี่ผู้ปฏิบัติต้องเดินไปตามทางสายนี้แน่าจะเห็นเหตุเห็นผลจากความเคลื่อนไหวข้องใจที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ทุกระยะระยะหน่วยใจได้รับการฝึกฝนอบรมทดสอบหรือสแสดงเหตุผลให้ทราบจากทางปัญญาเสมอแล้ว จะไม่ดื้อดึงหรืออาจเอื้อมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเป็นค่าศิกมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นคุณดังที่เคยเป็นมาแต่จะกลับเห็นว่าเป็นโทษแล้วไม่แล้วมีความขายัขยแยงต่อสิ่งเหนั้นนั่นแหละใจจะได้รับความสงบเย็นใจแล้วจะกำหนดในทางสมาธิให้เข้าอยู่โดยลำพังตนเองก็จะเป็นบ้าเป็นไปได้ตามใจหวัง การธรรมดาของจิตถ้ายังมีข้องแวะหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดยอยู่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ยังก่อกังวลหรือก่อเรื่องแต่ตัวอยู่มาเด็ดปล่อยวางกับเรื่องนั้นแล้วเข้ามาอยู่โดยลมทางตนเองไม่ได้จิตจะหาความสงบไม่ได้อุบาวิธีที่จะให้จิตสงบนี้ เป็สิ่งที่สําคัญต้องใช้ทั้งทางด้านปัญญาทดสอบและตรองดังที่กลา่าวมานี้จากสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องสัมผัญและแสดงเหตุผลให้จิตได้ทราบชัดตามหลักความจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งดีชั่วสุขทุกข์จนจิตได้ยอมจานนตนเองย้อนเข้ามาด้วยความไม่มีอะไรกับสิ่ง ที่เคยเกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสู่ความสงบได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิได้ด้วยอุบายวิธีนี้อย่างวิธีอย่างหนึง่งแค่กําหนดโดยมีธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้าเป็นเรื่องอาศัยของจิตให้จิตได้ยึดอยู่กับธรรมนั้นโดยไม่มีความเสียดายกับอารมณ์ อันใดนอกจากอารมณ์แห่งคมที่กําลังพิจารณาอยู่ทั้งนี้โดยความมีสติมีก็เป็นทางที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อีกทางความสงบทั้งสองทางนี้ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นความเย็นใจจะเรียกว่าเป็นเอ ก, กัคคตาลมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้จากความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกระถุ่ใดดังนี้เหมือนกันทั้งสองประเภท แต่อุบายวิธีแต่สิ่งที่จะให้เกิดความแยกพายแปกลกประหลาดจากกันก็คืออุบายวิธีที่จะทีท่ทำจิตของเราให้มีความสงบลงได้ด้วยปัญญานี้รู้สึกว่าเกิดความระหารต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จิตจะถอนขึ้นมาแล้วกว็าตามเป็นเหตุให้เกิดความระหารต่อสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ได้รับความสงบ เย็นใจเท่านั้นแล้วถอนขึ้นมาแล้วก็หมดความสงบไปนี่เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ผู้นักปฏิบัติจะควรนำมาใช้ในบางการที่ควรใช้ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นวิธีใดก็ตามตามแต่การเวลาที่สมควรจะนำอุบายใดมาใชา้ด้วยความสนใจจริงๆเลยจะเป็นผลขึ้นมาดังที่กล่าวเหมือนกันคือ ทำความฝุกดํารงตนอยู่ได้โดยลําทางตนเองซึ่งไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวข้องเลยในเรื่องนจิตที่ดํารงตนอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับไรนั่นแหละท่านว่าจิตเป็นอิสระเสยดีจะเป็นชั่วขณะก็าตามเรียกว่าอิสระเสยดีได้จะเป็นเพียงขั้นนี้ก็าตามข้อเรียกว่าอิสระเฉยดีของจิตในขั้นนี้ ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นไปกว่า น, นี้และสงบได้มากขึ้นไปกว่า น, นี้ก็เป็นอิสระเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่แหลทที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมจาเป็นสาหรับนักบวชเราอย่างยิ่งผู้บวชมาในพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นนักปฏิบัตินักักบด้วยแล้วยิ่งควรจะตป็งหนักใจ ในจุดที่กล่าวนี้อย่างนีกจุดนี้แลเป็นจุดที่จะเห็นทั้งโทษทั้งภัยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งความสุขความเจริญภายในตนเองเห็นทั้งโทษภัยภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นทั้งความส่สวนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดภายในตนด้วย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 เรียนโลกจบก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภายนอกภายในที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันและอนาคตมันจะเป็นไปอยู่เช่นนี้มาสิ้นสุดตรงที่ใจได้หายสงสัยกับสิ่งที่เป็นเหล่านั้นแยกกันออกได้โดยความไม่มีเสียดายอะไรตามหลักคือปัญญา และรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกว่าคือใจนี้เท่านั้นเป็นตัวของโลกอันแท้จริงเป็นผู้หลงโลกอันแท้จริงด้วยเมื่อรู้อย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นเรียกว่ารู้ธรรมอย่างสมบูรณ์จะไม่รู้แปดหมืนจี่พันพระธรรมขันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ต่างแต่ก็จัดว่ารู้ธรรมแบบ สมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของตนดังสาวกทั้งหลายได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกอราหารันท่านเหล่านี้ชื่อว่าท่านรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของท่านส่วนตีกย่อยที่จะรู้กว้ า, วางขวางมากมายไปที่ไหนนั้นตามแต่นิสัยวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันย่อมนี้เดือมล้ําต่ำสูงต่างกันและกว้างแค่ต่างกัน อันนั้นกระพุทธเจ้าไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นนะสำคัญอะไรมากนะ <c oughs> ยิ่งกว่าความรู้ทำในหลักธรรมาชาติรู้ตนโดยรอบครอบรู้โลกโดยรอบครอบรู้ธรรมโดยรอบครอบโดยสุดหมดจดอยู่ที่ใจ <c oughs> เพราะเรียนเรื่องของใจจบนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างนี้ เรื่องของใจนี้เป็นเรื่องมากมายขัดข้องสลับชับซ้อนจึงควรเรียนให้จบถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาทําการก่อควนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความเพิดเพลินฟุ้งเฟ้อเถืเ่อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น <c oughs> สิ่งที่แฝงไม่ใช่เป็นสิ่งดั้งเดิมและเป็นหลักธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ นี่ยเป็นจริงสําคัญชารียนนี้จบแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถเรื่องภบเรื่องชาติต่างคนต่างชาติต่ตางเกิดมาตายด้วยกันเกิดมาตายไปด้วยกันจนนับไม่ถ้วนก็คือเรื่องของจัตพอผ่านมาแล้วอย่างชาตินี้ไปปรากฏตัวในชาติหน้าก็ลืมชาตินี้เสียแล้วเข้าใจว่าตนไม่เคยเกิด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 สอนให้รู้เรื่องของใจที่เป็นเจ้ามายาเป็นนักทองเถียวเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ตลอดสายไม่มีจบขึ้นลงได้ว่าเงื่อตนตน้นต้นในเงื่อนตายอยู่ที่ไหนก็คือเรื่องของจิตเพราะจิตไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนลายมีแต่ความนี้เท่านั้นแต่ความรู้ของจิตจํามีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอดังที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ความรู้อันแค้จินนั้นมีความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่อาการของที่เกิดขึ้นจาก หลักอันดัน้งเดิมคือใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งไหนมาเกี่ยวข้องมีลักษณะอย่างไรดีช่วยตลอดถึงสีสันมันนะมีลักษณะอาการอย่างไรจิตจะต้องแปลสภาพไปตามอาการนั้นๆไม่มีสิ้นสุ ด, ดจิตจึงจัดว่ามีเรื่องมากไม่มีนิชา บ, บทใด คะแนนใดและทูดด่ใดจะสามารถนําเข้ามาแก้ไขจิตใจให้รู้เรื่องของตนโดยสมบูรณ์ได้เหมือนอย่างหลักวิชาของพระโพ ธ, ธิเจ้าที่รู้ที่เห็นหนามีเป็นเป็นวิชาที่เยี่ยมยอดสามารถตรวเกลื่อนหรือรู้เรื่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนดังพระโพ ธ, ธิเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ได้ทรงรู้เห็นตลอดสายในความเป็นมาของพระองค์โดยไม่มีข้อสงสัยจึงได้นาวิชาที่สมบูรณ์แบบออกมาจากคําที่ว่าสว ข, ขาตธรรมนี้มาสอนโลกและเป็นวิชาที่แน่นอนไว้ใจได้ถ้าผู้ปฏิบัตินําหลักวิชาที่พระองค์ท่านสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเอ ง, เองจะเห็นเรื่องของตนเปน็นชั้นๆไป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 หรือรู้เรื่องของตัวโดยสมบูรณ์ดูกราบไปเรื่องของจิตนี้จะต้องแสดงความหิวโหยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไปเพราะไม่ทราบซึ่งเรื่องต้นเหตุว่าใครเป็นผู้อยากรู้ใครเป็นผู้อยากเห็นใครเป็นผู้เกิดผู้แก่เจ็บตายใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลําบากมาตลอดชีวิตคือใครไม่ทราบต้นเหตุการเรียนธรรมะจึงเรียนเข้ามาหาต้นเหตุคือใจถ้าจะพูดถึง สัจธรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้แสดงสัจธรรมออกมาอย่างเปิดเผยเช่นเกิดออกมาจากใจถ้าใจไม่มีสัจธรรมจะหาที่ไหนเลยแต่อันต่างิันอยู่ตามธรมรมดาเราจะเรียกเขาว่าเป็นสัจจะหรือไม่เป็นสิรร่งนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ตัวใจเนี่ยเป็นตัวสัจธรรมแต่ไม่รู้เรื่องของตัวนี่เท่านั้นจึงทาให้ได้รับความทุกข์ความลำบาก ไม่มีจบจริงและไม่ว่าใจของผู้ใดก็ต้องเป็นคำนองเดียวกันและไม่มียาขนานใดมาแก่นอกจากหลักธรรมของพระ พ, ทพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นโปรดให้ทุกทุกทานได้พิสูจน์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องเกิดเรื่องตาย ซึ่งแสดงอยู่กับตัวมี้ให้เห็นชัด้ากกรจัดความสงสัยหรือกุ่งเฟ้เเอเฟ็่องเมีความอยากเป็นเครื่องขัดดันอยู่ตลอดเวลานั้นได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนความอยากที่เป็นเครื่องขัดดันนั้นออกได้ใจจะหมดความอยากคนเราั้าหมดความอยากแล้วก็สบายแม้แต่หิวข้าวก็ไม่เสียด เป็นความทุกข์หิวมากเท่าไรก็ยินเป็นทุกข์มาแต่รับทานให้อิ่นน้ำทานานเยอะแยะคําอยากก็หายไปเราก็สามารถแต่อันนั้นมันเป็นขึ้นเป็นบางครั้งบางการแต่ความอยากของจิตนี้รู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่เวลาไหนเป็นอยู่เช่นนนมีความหิวโหยอยู่กับด้วยอารมณ์ อารมณ์โดยมากที่จิตมีความยืโหดต้องการนั้นเป็นอารมณ์ที่เกลื่อนไป้วยอยากทิศทางนั้นจึงไม่สามารถที่จะระงับดับจิตตัวอยากนั้นให้หาอยากไปได้นอกจากหลักธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องแก้ไขเมื่อแก้ไขความอยากไปมากเท่าไหร่ลดชาติคือความอิ่มพอก็แสดงขึ้นมาเป็นระยะระยะ เมื่อชำระความอยากให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าอยากส่วนปร ะ, ประเภทไหนใจก็หมดความอยากนั่นแหจะที่เว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งมาปวนใจท่านผู้ย่ออุไดสนใจไม่นีหรักจากคําว่าตรงหรือใจเลยท่านผู้นั้นจะมีจุดหมายปลายทาง เป็นที่สมหวังคำว่าความเพียรเคยได้อธิบายให้ทราบกันมาทุกระยะเพียนอย่างใหญอย่างกลางอย่างละเอียดจัดว่าเป็นความเพียรทั้งนั้นโตให้อยู่กับความเพียรเพียรเพื่ออะเพียรเพื่อ